กระตุ้นเตือนให้ผู้คนบนหลังเขานะได้ตื่นตัวเรื่องปัญหาสิง่งแวดล้อมที่จริงปัญหาสิง่งแวดล้อมนี้ก็เป็นเรื่องที่รับรู้กันนะโดทั่วไปพอสังเกตได้จากดินฟ้าอากาศที่มันแปรปรวนน้ำที่เหลือน้อยลงดินที่มันขาดโอชะนะขาดปุ๋ยการเป็นดินที่แห้งเหลือตายหลวงพ่อำ เ, เขียนท่านบอกว่าเนี่ยแม่น้าล้มป่วยแผ่นดินร้องไห้นะ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 ที่เดินเนี่ยแบกสัมภาระไปเองยกเว้นคนที่อายุ50ปีขึ้นไป อ, อนุ ญ, ญาตให้แบกสัมภาระอาเอาขึ้นรถได้นะแล้วก็งดเข้าเย็นนะขนาดมีกติกาเงื่อนไขแบบนี้คนก็ยังมากันเยอะนะโดยเฉพาะช่วงวันวันหยุด 5,6,7 นะปีนี้ 5,6,7 เนี่ยวันหยุดยาว3วันก็เชื่อว่าคนก็จะมาเดินกันนะอาจจะ3เพิ่มเป็น3หรือ400คนเป็นอย่างนี้ทุกปีนะ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 หลายคนที่มาเดินธรรมยาตราก็พบว่าเออสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจนะมันไม่ได้อยู่ที่อาหารไม่ได้อยู่ที่ที่พักนะที่พักแย่อาหารไม่ดีแต่ว่าใจสุขก็ได้นะฉะนั้นใครที่ต้องการที่จ ะ, ะ, จะเจริญสติในเงื่อนไขทีนะ่เข้มข้นนะท้าทายนะธรรมยาตรานี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะหลายคนที่มาเดินธรรมยถาตาก็ได้ประโยชน์แบบนี้แหละนะได้ประโยชน์นอกจากได้เจอเพื่อน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 นะแม้ทางแางจะไกลอันศีนที่ว่านี่คือความสุขที่มันอยู่แล้วในใจเราแต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นไอ้ที่บอกว่าทุกทุกทกนะเพราะว่าไม่ใชไ่ไม่ใช่เพราะว่าอะไรเลยนะแต่เพราะามองไม่เห็นความสุขที่มีอยู่ในใจเราต่างหากไม่ใช่ว่าไม่มีสุข สุกมันมีแต่มองไม่เห็นนะอันนี้ก็คืออันซีนนะที่มีคุณค่ามากแล้วจะพบได้อย่างไรนะธรรมญาตานี่เป็นคำตอบได้ก็เชิญนะใครจะมานะจะมาร่วมเดินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายหรือมาร่วมเดินวันสองวันหรือว่า 5, 6, 7, 4, 5, 6สหก็ได้เริ่มต้นที่วัดภูเขาทองอแล้วก็เตรียมรับ